นะรู้เลยนะว่าคนสงบกิเลสมาขนาดนี้ฟังธรรมและบรรลุไม่ยากแต่ทีนั้นเทพพยยดาก็อันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าอาลาลดาบทการามโคตรสิ้นชีพได้เจวันแลว้วเพิ่งตายได้เจวันนี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบว่าอ า, าลาดาบทการามโคตรสิ้นชีพแล้วได้เจวันเนี่ยนะด้วยสัพพัญยุตยานก็รู้เหมือนกัน ก็ทรงดำริว่าอาลาลาดาบทกาลามาโครเนี่ยเป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ทั่วถึงได้ฉับพลันนะน่าเสียดายมากนะหมายถ้ารออีก7วันเนี่ยจะได้บรรลุแน่นอนมรรคผลแต่ว่าไม่รอไม่ทันนะ7วันก็พูดอย่างนี้เนี่ยบางทีนของมาก็นึกถึงโยมบางคนเหมือนกันนะถ้าแกก็มีอัธยาศัยมีอุปนิสัยนะถ้ามีชีวิตอยู่จนถึงป่านนี้นะสงสัยได้ฟังธรรมไปเยอะละ เนี่ยนสงสัยได้อะไรไปเยอะแต่ว่าตายไปแล้วไงปู่ปู่ของมาเองอะไรก็เป็นผู้มีอัธยาสัยอยู่แล้วแต่ว่าตายไปนานแล้วก็ถือว่าเป็นความเสื่อมนะครับเป็นความเสื่อมที่ปุเพกะตปุญญาตาไม่ดีนะเไม่มีปุเพกะตปุญญาตาเพราะว่าชีวิตตินทรียนี่มันดํารงอยู่ได้ด้วยผลบุญใช่ไหม ชีวิตตินรีย์นะทีนี้ว่าชีวิตตินรีย์มาขาดได้เจดวันแล้วก็ไอสถานที่ที่ไปเกิดโน่นก็เกิดที่ไหนอารูปประรมโน่นนะทีนี้อารูปประรมนี้ก็ถือว่าเสื่อมแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่ฟังธรรมไม่ได้ชื่อว่าเกิดในอักขณะอักขณะนะที่เกิดแล้วเสียหายอดเลยนะถือว่าเสียหายเลยนะหนึ่งถ้าเกิดในรกก็เสียหายสองเป็นเดราชานก็เสียหายไหนเอาไม่พวกที่จะไม่ได้บรรลุอ เอออย่างนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อสัญญยาณุสิยะญาณที่อันนี้ใช้สัพพัญยุตยานพิจ น, น า, า, อ, าอยู่ในประเภทที่เออคติวิบัต<ม>ิเออพวกคติวิบัต<ม>ิเช่นกอนนังนะนรกเดริชานเปรตแล้วก็อสัญญาสัตรรวมทั้งอรูปปรพรหมด้วยเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันไปตั้งแต่มนุสโลกหรือเทวโลกชั้นต่ําไปแล้วนะจึงจะไปเกิดที่นั่นก็คอ ย, อยังชั่วนหน่อยแต่ถ้า เป็นปุตุชนแล้วไปเกิดที่ที่อรูปประพรมหรืออสัญญศาสตร์นี่ก็ถือว่าเสียหายทําไมถึงูร ป, ประพรมแล้วถึงไปฟังธรรมไม่ได้อรู ป, ป ร, รก็<ต>ไปหูไม่ไม่อสัญญาศาสตางอสัญญาศาสตานี่หมดอรูปประพรมนี่หมดคือกา ร, รกนในนะมีนามนแต่ว่ามันจะคุยกันยังไงอ่ะคื อ, ค, อคือมันต้องอาศัยสุตะใช่ไหม ถ้าสุ่ตานี่จะต้องผ่านจากตรงไหนไปก่อนก็ผ่านหูที่จะถ่ายทอดกันน่ะนะผ่านหูผ่านตาเนี่ยถ้าไม่มีหูไม่มีตาก็ก็จบเลยก็ทำไงอ่ะก็ถือว่าเป็นอักขระแล้วเนี่ยนะหรือว่าถึงจะเกิดมาในโลกนะแต่เกิดในปัจจันตะชนบทคือที่ที่ไม่มีพุทธบริษัทเลยหรือเกิดบ้านอยู่ใกล้วัดเต็มทีแต่มิจฉาทิฐิเนียนีก็อันนี้ก็หมดอีกเหมือนกันหรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดใน อย่างเกิดอินเดียตอนนี้เอานี่ถือว่าไม่ใช่สมัยแล้วเนีย่ยนะถ้าเกิดถึงเกิดพุทธคยาเอารอบๆนั่นแหละไม่ต้องไปเกิดที่อื่นหรอกหมดอีกเนีย่ยนะเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ลําบากมากอักขระอย่างที่กล่าวตอนต้นๆที่ว่าใครที่มีขณะเกิดมาในยุคนี้แล้วก็ได้ปัจจัยพร้อมได้ศึกษาพระธรรมขนาดนี้นะและประโยคะไม่วิบัติไม่บาเสียใจในภายหลังนะสามารถเจริญกุศลในขนาดนี้ก็ถือว่ามีบุญมากแล้วนะเนี่ยนะ ทีนี้ก็คิดถึงอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์อีกคนหนึ่งคือพุถกะดาบทรามบุตรแต่ก็น่าเสียดายเพิ่งตายไปเมื่อคืนวานนี่เองงนนี้ใกล้ชิดมากแนะตายเมื่อคืนวานเองก็คิดว่าจะได้บรรลุก็อดอีกเนี่ยนะโน้นเกิดเนวสัญญาณนะนะอายุ 84%, ดหมพกับให้ลงมาจาก 84% 00มกับในช่วงนั้นจะมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนรอที่ไหนใช่ไหม นัเกิดในสมัยเออในสมัยนั้นถ้ามีผู้บำเพ็ญบารมีแล้วไปตรัสรู้เป็นพระผู้เจ้าในช่วงนั้นก็ ย, ยังชั่วหน่อยแต่ถ้าไม่มีนะยาวอีกเนี่ยนะไม่รู้จะไปยังไงอีกเนี่ยนะ น, น่าเสียดายมากลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงนรําเดชว่าเราจะพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนอใครจกรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันแล้วก็ทรงนรําเดชต่อไปว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เรามากได้บำรุงเราผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ ถ้ากระไรเราจะพึงแสดงธรรมะแก่พิสุปัญจวักคี์ก่อนครั้งแล้วก็ทรงนาเดชต่อไปว่าบัดนี้พิสุปัญจวักคีอยู่ที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นภิกษุปัญจวักคีอยู่ณนกะิสิปัตนะมฤุกทายาวันเขตพระนครพารณาณสีด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุ ข, ของมนุษย์ครั้งนั้นพระองค์ประทับอยู่ณนะอุรุเวลาประเทศตามสมควรแก่พุทธาพิรม์แล้วก็เสด็จาริกไปทางพระนครพารณาณสี ทีนี้ตอนที่พระองค์จาริกเนี่ยนะจาริกไปเพื่อที่จะไปโปรดปัญจวัคคีเนี่ยปกติพระพุทธเจ้าจะเหาะกันไปนั่นนะตามปกติองค์ก่อนๆน่าจะเหาะไปแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ถ้าเหาะไปอุปกะชีวกนี่อดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมายคำว่าพระองค์ถึงไม่ได้เทศนให้เขาบรรลุนะก็ขอให้รู้จักกันไว้ก่อนเขามีปัญหาชีวิตเขาจะได้คิดถึงพระองค์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าเออถ้าพระองค์เหาะไปนะ อุปการนี่เสียหายเพราะฉะนั้นก็พระองค์เนี่ยยอมเดินเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยเดิน18โยต์เนยเดินไกลมากเพรา ะ, ะนั้นระหว่างทางก็ไปเจออุปการนี่แหละก็คือระหว่างแม่น้ําขยากับโพพลกอะแม่น้ําขยาก็อยู่ที่ไหนก็ขยาประเทศ น, เนั่นแหละแล้วก็ระหว่างต้นโพนะก็เดินมาไกลโขแล้วก็เจอกันอุปกาชีวกพอพบพระพุทธเจ้าก็ได้กราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ดูก่อนอาวุโสอินทรีย์ของท่านทองสยยิ่งนักผิวพธุ์ของท่านก็บริสุทธิ์ปุดผ่องดูก่อนอาวุโสท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครอัน น, นก็ถามหาเจ้ารัที่เลยว่างั้นน่ถามหาศาสดาอาจารย์เลยว่างั้นมีใครเป็นศาสดามีใครเป็นอาจารย์เมื่ออุปกาชีวกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถาตอบอุปกาชีวก ว่าดังนี้เนี่ยนะเราเป็นผู้ครอบงามธรรมะทั้งปวงนะครอบงามธรรมะทั้งปวงในที่นี้เนี่ยได้แก่ธรรมะไหน Bol วัตตะในภูมิสามนะขันห้าก็ต้องขันห้าในภูมิสามนั่นแหละครอบงามหมดแล้วเนี่ยนะรู้ธรรมะทั้งปวงคําว่ารู้ธรรมะทั้งปวงนี่ก็คือทั้งกุศลอกุศลวิบากกิริยาหรือว่ากามภูมิรูปภูมิมารูปภูมิหรือโลกุตระภูมิเนี่ยนะรู้หมดเลย แล้วก็อันตันหาทิฐิไม่ฉาบทาแล้วในธรรมะทั้งปวงคือหมายถึงว่าวัตตาในภูมิสามเนี่ยพระองค์ไม่มีตันหาฉาบทาแม้หน่อยเลยละธรรมะเป็นไปในภูมิสามได้หมดคือกรรมที่เป็นเหตุไปเกิดในภูมิสามเนี่ยละหมดแล้วพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาคําว่าพ้นแล้วอธิบายว่าเป็นผู้พ้นวิเศษเพราะธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาคือนิพพานด้วยอํานาจทำให้เป็นอารมณ์ คือพ้นในที่นี้หมายถึงว่าจิตของพระองค์นั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าสิ้นไปแห่งตัญหานี้เป็นชื่อของนิพพานเราตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีก็บรรลุอริยสัจแทงตลอดเองแบบนี้แล้วจะต้องบอกว่าใครเป็นอาจารย์ไหมในเรื่องโลกุตระเนี่ยนะเฉพาะในวิชาโลกุตระธรรมนี่ไม่มีใครสอนเลยคนเช่นเราก็ไม่มี คือใครที่จะมาเปรียบเหมือนกับเราในโลกกับเทวโลกก็ไม่มีบุคคลเสมือนเราก็ไม่มีในโลกกับทั้งเทวโลกว่างัน้นเพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลกเราเนี่ยเป็นาศ า, าสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ก็ถามว่าในโลกนี้นะใครที่จะสอนได้มากเท่าพระพุทธเจ้านีม่มีไหมไม่มีมันก็สุดยอดของาศาสดาว่างัน้นผู้สอนน่ะนะสอนอะไรสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งหรืออีกในหนึ่งคําว่ า, าศาสดาหรือศาสถาก็คือ ผู้พาสัตว์ให้ข้ามจากวัตตะนั่นเองเราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธะคือตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองเนี่ยนะเราเป็นผู้เย็นใจแล้วก็ดับกิเลสได้แล้วก็คือเย็นใจหมายความว่าดับไฟในใจได้หมดแล้วไม่ต้องร้อนรุ่มในสวงอีกแล้วเหมือนกันเราจะไปเมืองในแคว้นกาสีเพื่อประกาศธรรมจักรให้เป็นไป เราจะตีกลองประกาศอมตะธรรมในโลกอันมืดเพื่อให้สัตว์ได้ธรรมะจักสุขก็จะไปแสดงอริยสัพนี่แหละนั่นนะการแสดงครั้งก็เหมือนกับการตีกลองอ่ะนะสมมติว่าหนึ่งคำที่พระองค์ตรัสตายก็เหมือนกับตีกลองหนึ่งครั้งอ่ะนะวันถ้าฟังแล้วก็เขาได้ฟังเสียงกลองที่อมตะก็ในที่สุดก็มีธรรมะจักสุขมองเห็นอะไรเห็นอริยสัพน์ได้เนี่ยนะก็อริยสัพนี่แหละเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ ทีนี้อุปการชีวกกทูลว่าดูก่อนนบุโสท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านสมควรเป็นผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้โดยประการนั้นแม่ดูสมควรกับคําพูดแล้วละ่ะว่า ง, งั้นเด้อเหมาะสมเหมาะสมว่า ง, งั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้เช่นเราดูก่อนอุปกาเราชนะธรรมะอัลลามกแลว้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะหรืออนันตชินเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุปการชีวกทูนว่าเป็นให้พอเถิดพ่อเหมืนกันดังนี้แล้วก็สันศีสะถือเอาทางผิดเนี่ยนะก็เดินหลีกไปต้มายัางนึกว่าเอ๊คาว่าถือก็เป็นให้พอเถิดพ่อนี้ไม่รู้ว่าชมหรือว่าเสียดสีก็นึกไม่เลยออกเห็นไหมคือเนะี่ยไอ้สันศีศสะ น, นี่ก็ไม่เข้าใจหมายของมันไงแต่แต่ก็คือแต่ก็ยอมรับนะแต่ก็นับถือและนับถือด้วยใจแล ทีนี้แกก็หลีกไปที่อื่นอุปการชีว o นี้แกเป็นนักบวชสายนุ่งลมหอมอากาศนะทีนี้แกก็ไปอยู่อีกวังหนึ่งเขาเรียกว่าไปอยู่ในในที่หนึ่งเป็นที่เหลือยุงมากแกก็ไปอยู่ในตุ่มไปไปได้ในพรามเนี่ยเป็นอุปถักก็ไปหลงรักลูกสาวของในพรามนั่นแหละก็เลยไปแต่งงานกับเมียเขาชื่อจาปาทีนี้พอก็อยู่ด้วยกันก็ได้ลูกคนหนึ่งอ่นะเมียก็กล่อมลูกกล่อมลูกก็กล่อมกล่อมลูกกระทบหัวนั่นแหละ นนผัวมันก็ไม่เคยชอบนะเอ๊ะยังไงเมียนี่ดีใจใหญ่เลยนะเออถ้าว่างนี่นะมันจะโกรธหรือจะหนีไปเองแหละก็ว่ากระทบบ่อยๆเข้านะก็เลยไปบอกว่านี่เธออย่าไปว่าฉันไม่มีที่ไปนะฉันมีที่ไปฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่านันตชินฉันจะไปหาเพื่อนของฉันนะประมางนั้นแต่ทีนี้ว่าตอนแรกก็เอ๊กก็อยากให้ก็อยากให้ไปอยู่เหมือนกันแต่นะตอนหลังพวกจะไปจริงๆก็เลยอ้อนวอนว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยอยู่นี่เธอประมาณนัน ก็จาปาก็อ้อนวอนใหญ่เลยนะเสร็จแล้วอุปการชีวกบอกไม่อยู่แล้วว่า ง, งั้นไปไปทีนี้ก็บอกว่าไหนๆก็ให้กลับไม่ได้ยังไงก็ขอฝากกลาบพระพุทธเจ้าด้วยนะอนะันนั้นจาปาก็มีอุปนิสัยเสร็จแล้วพระอุปการนี้ไปก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่เชตาวันตอนหลังก็บวชบวชแล้วก็ไปเกิดในพรหมชั้นอวิห า, านะัเป็นท่านนาคามีตายนบวชแล้วเป็นท่านนาคามีแล้วก็ตายไปเกิดในชั้นอวิหาเนี่ยนะ พอเกิดในชั้นอวิหาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่อวิหาพรหมคือพรหมนี้มีอวิหาตปลาสุทธาสุทธศิย า, านิถาใช่ไหมทีนี้ฝ่ายแม่บ้านเนี่ยนะก็ผัวไปแล้วก็ปล่อยลูกให้ตาเนี่ยเลี้ยงแล้วก็ตามสา ม, มีไปไปก็ไปบวชเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุณีตอนหลังก็เป็นพระอรหรนันต์ว่าชื่อจาปลาเถรีเนี่ยนะ ก, ก็ดูในเถรีคาถานะจะเล่าประวัติส่วนนี้ให้ฟังพอสมควรงี้ยนะส่วนลูก บางท่านก็บอกว่าลูกของของของอุปการนี่แหละคือสุภัตถะปริภาชกเนี่ยนะบางท่านบอกว่านี่คือสุภัตถะปริภาชกที่ไปถามพระพุทธเจ้าที่ดับขันปรินิพานและเป็นสาวกองค์สุดท้ายบางท่านกล่าวเช่นนั้นนะคือคือเนี่ยลูกอุปการชีวกคนนี้นี่แหละนะพระองค์เนี่ยการที่นะแค่ไปเดินทําความรู้จักกันไว้ก่อนนี่ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วว่างั้นเถอะก็ถือว่าเป็นการได้สงเคราะห์เขาแ ล, ล้วล่ะในตอนหลังก็สงเคราะห์ได้จริงๆริงเห็นะ มันก็ไปสร้างอุปนิสัยไว้ก่อนใช่ไหมทีนี้พระผู้มีพระภาคก็เสด็จจาริกโดยลําดับถึงป่าอิศิปตนะมฤุทขายาวันแขวงเมืองพารณาณสีเสด็จเข้าไปทางสํานักของพระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลแล้วก็ได้นัดหมายแก่กันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคโดมนี้เป็นผู้มักมากว่างั้นเถอะปราถนาลาบแล้วอยากได้จีบอนเป็นต้นแล้วละ่ะ คลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆกํำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงอภิวาทก็อยา ก, กราบเลยนะไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาตรจีวรของพระองค์แต่พึงวางอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่ง น, น, นไม่อยากพูดอยากคุยด้วยแลย้วคนมากๆว่างนั้นเถอะ คันพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปถึงพระปัญจวัคคีเนี่ยนะพระปัญจวัคคีนั้นก็ไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตอนต่างก็ลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคอ่นะศรัทธานั่นก็ยังนี้อยู่รูปหนึ่งก็รับบาจีวอนนะอย่างเช่นท่านัญญาโกลธัญญะเนี่ยก็รับบาจีวอนอนะท่านวัปปะพัทธิยะก็ปูอาสนะนะมหานามะก็จัดตั้งนางล้ำทบาทเนี่ยนะนะ อ, อาสชีก็ตั้งรองเท้าอีกคนหนึ่งก็จัดกระเบื้องเช็ดเท้า พระผู้มีพระภาคก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคคีจัดถวายแล้วก็ทรงล้างพระบาตรฝ่ายพระปัญจวัคคีก็เรียกพระผู้มีพระภาคโดยระบุพระนามคือพระสมณะโคดมนะแล้วก็ใช้คำว่าอาวุโสเมื่อพระปัญจวัคคีกล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีว่าดูก่อนภิกูุนทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คาว่าอาวุโส ดูก่อนพี่สู่ท้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบอนะนะประกาศพุทธคุณนั่นหนึ่งอรหันตคุณใช่ไหมสองสัมมาสามัมพุโทโธนี่นะก็คือพระปัญญาคุณพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอ ม, มะตะธรรมแล้วอ ม, มะตะคือ น, นิพพานนะเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมะพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จาก ทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นะก็ปฏิญาณหนึ่งนะว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จแล้วนะแล้วก็สอนถ้าเธอปฏิบัติตามนะบรรลุแน่นอนงนั้นนี้ก็ไปยืนยันรับรองเลยนะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระปัญจาวัคคีก็ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยเจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานนั้นแม้ด้วยทุกขรกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตรีมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มกักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉนัยจากบรรลุอุตรีมนุสธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสา ม, มารถได้เล่าเมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตไม่ใช่เป็นคนมักมากไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากดูก่อนพิสูุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงีย่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมะ พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจกทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจารย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ทีนี้ครั้งที่สองก็กล่าวซ้ำอีกนะครั้งที่สองพระ อ, องค์ก็ตอบอีกว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครั้งที่สมเนี่ยนะปัญจวัคคีย์ก็ทูลคัดค้านว่า โอ้ยเวียนมาเพื่อความมากักมากพระพุทธเจ้าครั้งที่สนี้พระองค์ตอบว่ามเมื่อปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอยังจําได้หรือว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่การนี้เราเคยบอกเธอไหมว่าเป็นผ้าอรหันตรัสรู้แล้วเคยบอกไหมเหมือนกันเคยบอกไหมว่าบรรลุอัมาตะธรรมก็ไม่เคยบอก พระปัญจวัคคีย์ก็กราบทูลว่าเออใช่ไม่เคยฟังคำนี้เลยเหมนกนก็ยอมรับอแน่ว่าคือก็รู้นิสัยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่าเป็นคนดีโดยอัธยาศัยอยู่แล้วนะพอพูดอย่างนี้ก็ยอมรับว่าใช่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสังสอนจากแสดงธรรมะ พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทําให้แจ้งซึ่งที่สุดซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาคทรงสา ม, มารถให้พระปัญจวัคคียินยอมได้ลำดับนั้นพระปัญจวัคคีย์ก็ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเงี่ยโสตรสดับ ตั้งจิตเพื่อรับรู้นี่คือคือประกาศว่ายอมรับว่าบรรลุจริงแต่ก็ตั้งใจฟังแล้วละ่ะในระหว่างนี้นะในคำพีสารัทสมุจใจซึ่ง เ, เป็นสังฆราชประเทศศรีลังกาเมื่อก่อนหน้านี้สัก700รอปีที่แล้วเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นเนะพอบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงธรรมว่างั้นเถอะเทวดาเนี่ยนะในโลกธาตุต่างๆเนี่ยประกาศกันเลยเทวดาเนี่ยมามอกีก มามาประชุมเพื่อที่จะฟังธรรมกันนี้เหมือนกันเนี่ยนะก็เขาบอกว่าในช่วปลายเข็มหนึ่งว่างั้นเถอะปลายเข็มเล็กๆเนี่ยเทวดาอยู่ยี่สิบสาสิบหกสิบแปดสิบองค์เนี่ยนะอยู่เต็มไปหมดเลยนะมากเพราะอย่าลืมว่าตอนจบของสูตรนี่น ะ, ะพรหมเนี่ยบรรลุ18โกดธนี่นะเรียกว่าเทวดาบรรลุสิบโกดธนี่นะจากจากธรรมจักรตประวัตนาสูตรเนี่ยนะซึ่ง นับว่าเป็นสูตรสำคัญมากผู้รอคอยฟังทำรรนี้มานานถามว่าทำไมจึงนานพพเพราะผู้บาเพ็ญบารมีนะถ้าย้อนถอยกลับไป91ก้ับัใช่ไหมพระพุทธเจ้าพนามว่าวิปัสสีเนี่ยนะประมาณ31กสับอกัก็สิขีพอมาในกับนี้ก็กอีกถอยนำอีกหน่อยก็คือพระเวสสุภูแล้วก็ในกับนี้นะ พ, พ, พานาระพุทธเจ้ากักขู่สัมทฆโกนาคมาณะแล้วก็กัสสะ อาสาวกทั้งหลายที่บำเพ็ญบารมีในพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบุญมาต่างๆก็จะมาคอยฟังกันแบบนี้นะมันก็สะสมกันมานานๆ น, น, น, น, นะก็พวกที่รอฟังธรรมเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นหลังจากฟังแล้วเขาก็ตรัสรู้กันเยอะจริงๆเนี่ยนะจากสูตรนี่นะเมคืนนี้พวกผมก็กําลังใจจดใจจ่อจะฟังนะยังไงยังไงก็ไอ เปิดพลังงานให้มันมากมเลยหน่อยนะอย่าเพิ่งรีบรีลงเลยนี้ต่อไปนะว่าในธรรมจักรเลยนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบันประชิตไม่ควรเสดเนี่ยนะก็คือหนึ่งการประกอบตนให้พัวพันด้วยกา ร, ร ม, มาสุขหมายถึงว่าประกอบด้วยกิเลสเนี่ยนะประกอบด้วยกิเลสกามแล้วก็หมกมุ่นในวัตถุกรรม หมายถึงว่ากิเลสกรรมเนี่ยไปพัวพันในวัตถุกรรมสแสวงหาความสุขในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประกอบตนให้พัวพันด้วยการ ม, มาสุขในกามทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เริ่มต้นด้วยด้วยเอยอเจนทร์ทรคือห้ามว่าไอ้ความสุขเนี่ยคือ เธอลักษณะเนี่ยนะสมัยก่อนเขาถือว่ารัฐที่หนึ่งนะเขาบอกว่าไอาการจะนิพพานได้มันต้องสแสวงหาการมสุขผู้ใดมีการมสุขมากคนนั้นนิพพานก็มีกลุ่มหนึ่งที่มีรัฐที่อย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเลยเถิดมาอีกบอกว่าไม่ใช่มันต้องมาทําตัวให้มันทรมานที่สุดมันจึงจะมันจึงจะตรัสรู้ได้เพราะฉะนั้นในชั้นต้นก็ห้ามสองอย่างนั้นก่อน